ไม้สีไฟก็ไม่มีโจรทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายวันนี้เป็นเริกอะไ ร, พ, ไ ร, พ, ะไรพิกษุทั้งหลายตอบว่าโยมทั้งหลายพวกอาตมาไม่ทราบโจรทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายนี้ทิศอะไรพิกษุทั้งหลายตอบว่าโยมทั้งหลาย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 ผู้อยู่ป่าทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้อยู่ป่าทั้งหลายต้องประพฤติชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าควรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่สวมถุงบาตรคล้องบาตรผ้าจีวรบนไหล่สวมรองเท้าเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูหน้าต่าง แล้วลงจากเสนาสนะกาหนดว่าเวลานี้เราจะเข้าบ้านควรถอดรองเท้าเคาะอย่างระมัดระวังใส่ถุงคล้องบ่านุ่งปกปิดมนทนสามให้เรียบร้อยคาดประคตเอวห่มผ้าสังคาติที่พับซ้อนกันไว้กลัดลูกดุมล้างบาท แล้วถือเข้าบ้านอย่างสำรวมโดยไม่รีบร้อนพึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวะกบ้านพึงสำรวมด้วยดีไปในละแวะกบ้านไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวะกบ้านเมื่อเข้าบ้านก็พึงกำหนดว่าเราจะเข้าทางนี้ออกทางนี้ไม่พึงรีบร้อนเข้าไป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 พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวกบ้านออกจากหมู่บ้านแล้วสวมถุงบาทคล้องบา่าพับจีวรวางไว้บนศีรษะสวมรองเท้าเดินไปภิกษุผู้อยู่ป่าพึงตั้งน้ําดื่มพึงตั้งน้ําใช้พึงติดไฟพึงเตรียมไม้สีไฟไว้ พึงเตรียมไม้เท้าพึงเรียนรู้เรื่องนักสัตว์ทุกประเภทหรือเรียนบางส่วนพึงเป็นผู้ฉลาดในทิศภิษุทธทั้งหลายนี้คือวัดของพิสุผู้อยู่ป่าทั้งหลายโดยที่พิษุผู้อยู่ป่าทั้งหลา ย, ย, ย, าลายต้องประพฤติชอบ